จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส0บตุลาคมพุทธศักราชส5 5พันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศล สร้างอนาคตให้ดีให้เลิศ ก, กว่าปัจจุบันเพราะการกระทาของเรานี่แหละเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราว่าจะไปดีหรือไปไม่ดีจะไปสูงหรือไปต่ำจะไปสุขหรือไปทุกข์เหมือนกับอดีตของพวกเราคือการกระทำในอดีตของพวกเราก็เป็น ผู้ที่กำหนดให้ชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างนี้พวกเรามีความแตกต่างกันในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาฐานะการเงินการทองสติปัญญาความรู้ความฉลาดหรือความดีความเชื่อก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเรา ในอดีตที่ผ่านมาพวกเราจึงมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะว่าเราการกระทำของเราในอดีตนั้นไม่เท่ากันนั่นเองบางคนทำบุญมากกว่าทำบาปบางคนทำบาปมากกว่าทำบุญผลจึงทำให้เรานั้นมีความสูงความต่ำต่างกันไป มีอายุยืดอายุสั้นต่างกันไปเพราะการกระทำนี้แลเป็นเหตุเป็นผู้กำหนดชีวิตของพวกเราไม่ใช่พรมลิขิตแต่เป็นกรรมลิขิตศาสนาพุทธนั้นสอนตรงที่กฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงกฎนี้ไปได้ถ้าทำแล้วผลก็จะต้องตามมาแน่นอนทำดีแต่ไม่อยากจะได้ผลดีก็ไม่ได้ทำบาปแล้วไม่อยากจะได้ผลชั่วผลไม่ดีก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นเหมือนกับการปลูกผลไม้ปลูกส้มก็ต้องได้ส้ม ปลูกกล้วยก็ต้องได้กล้วยปลูกสับประรดก็ต้องได้สับประรดไม่ใช่ปลูกสับประรดแล้วอยากจะได้กล้วยอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันใดถ้าไม่อยากจะรับข้อรกรรมต่างๆก็อย่าไปทำบาปถ้าทำบาปแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับข้อรกรรมที่จะต้องตามมาต่อไป ถ้าไม่อยากจะรับเ้าะกรรมก็อย่าไปทำบาปพยายามหักห้ามจิตใจพ ย, ยายามเจริญฮิริโอตปะคือความกลัวและความละอายบาปถ้าเราเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อในผลของบาปและบุญเช่นทำบาปแล้วเราจะต้องไปใช้กรรมในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าเราเชื่อแล้วเราคิดอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดความกลัวบาปขึ้นมาเกิดฮีริกตาบขึ้นมาเกิดความอายที่จะไม่กล้าที่จะทําบาปเพราะอายชาวบ้านอายผู้ที่เขารู้ ว่าถ้าเราทำบาปแล้วเราก็จะเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยขอให้เราจเจริญฮิเรโอตปะคือความละอายและความกลัวบาปให้มีความละอายแก่ใจว่าการกระทำบาปของเรานั้นถึงแม้จะไม่มีผู้อื่นจะรู้ก็ตาม แต่เรานั้นรู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราได้ทำบาปและเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีไม่อยากที่จะไปรับผลของบาปการรมที่เราทำก็ต้องพยายามหักห้ามจิตใจทุกยากลาบากอย่างไรมากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่ร้ายแรงกว่าผลของบาปที่จะตามมาเช่นถ้าชาติหน้าลองต้องไปเกิดเป็นสุนัขเหี้ยงนี้เราจะคิดอย่างไรถ้าเรามีทางเลือกระหว่างการไปเกิดเป็นสุนัขและการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะเลือกทางไหนถ้าเราเลือกการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องอย่าไปทําบาป ถึงแม้ว่าเราจะทุกข์ยากอย่างไรก็ตามก็ขอให้เราคิดเสียว่าเป็นการใช้กรรมเก่าไปขอให้เราสร้างขันติความอดทนอดกลั้นยอมตายแต่จะไม่ยอมทำบาปยอมอดอยากขาดแคลนยอมยากลาบากต่างๆนา น, นานแต่จะไม่ยอมไปทำบาป เพราะจะไม่อยากไปเกิดเป็นสุนัขหรือไม่อยากจะไปตกนรกนี่นี่คือทางเลือกของเราเรามีทางเลือกเราจะไปทางไหนก็ได้ไปสูงก็ได้ไปต่ำก็ได้ถ้าเรามีความอดทนมีฮิริโอตับปะรับรองได้ว่าการไม่ทําบาปนี้จะไม่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเลย แต่ถ้าเราไม่มีฮิเรอตะปะไม่มีความละอายไม่มีความกลัวบาปไม่กลัวนรกไม่กลัวการไปเป็นเปรยการไปเป็นสุนัขถ้าไม่มีก็จะกล้าที่จะทําบาปคนที่ทําบาป น, นี้ส่วนใหญ่ก็คิดว่าผลของการทําบาปไม่มีคิดว่าตายแต่แล้วก็จบ คือถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วใครจะไปรับผลของบาปต่อไปแต่เราไม่รู้ว่าเรานั้นไม่ใช่ร่างกายเราคือใจใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี้เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุในโทรศัพท์มือถืออย่างนี้โทรศัพท์มือถือของเราถึงแม้มันจะเสีย คลื่นวิทยุสัญญาณวิทยุของโทรศัพท์ก็ยังมีอยู่ถ้าเราได้เครื่องใหม่มาเราก็จะสามารถติดต่อกับคลื่นวิทยุที่มีอยู่ได้ฉันใดใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนคลื่นวิทยุที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของเราเราเห็นเพียงร่างกายซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องมือของใจ ใจเรานี้แหละเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเราทำอะไรต่างๆร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เช่นคนตายนี้ไม่มีใจอยู่ในร่างกายแล้วไม่มีใครสั่งให้ร่างกายนี้ลุกขึ้นให้เดินไปทํานั่นทนํานี่เพราะว่าไม่มีผู้สั่งการคือใจร่างกายจึงต้อง แตกสลายดับไปหรือถูกเขาเอาเข้าไปเผาในเตากลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปแต่ใจผู้ที่เป็นผู้กระทําเป็นผู้สั่งและผู้กระทํานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ต้องไปเกิดใหม่ต้องไปได้ร่างใหม่อยู่ที่บุญกรรมที่ทำแล้วฝังอยู่ในใจ บุญทำไปแล้วจะทำให้ใจสะอาดขึ้นบาป ท, ทำไปแล้วจะทำให้ใจโสโปรกมากขึ้นความสโปรความสะอาดนีแลเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปสูงหรือไปต่าถ้าใจสะอาดก็จะไปสูงถ้าใจสโปรบใจก็จะไปต่าสังเกตดูพวกที่เกิดต่ำนี้จิตใจเขาจะสโปรบ เขาจะสกปรกด้วยความโลภความโรกรธความหนื่อความโลภโมโทสันความโหดร้ายทารุณความไร้ความเมตตาการุณาแต่คนที่ใจสะอาดนี้จะเป็นคนที่มีจิตเมตตาการุณามีใจบุญใจกุศลไม่โหดร้ายทารุณเขาจึงได้เกิดในภพที่ดีเช่นเป็น มนุษย์เป็นเทพเป็นต้นถ้าใจโหดร้ายทารุณใจร้าความเมตตาก็ไปเกิดเป็นเดราาัจฉานสัเดรัจฉานนี้เขาไม่มีความเมตตาต่อกันเขาจะค่อยจ้องทำลายคอยฆ่าคอยกับคอยกินกันเป็นอาหารเพราะใจของเขาเป็นอย่างนั้นนั่นเองและความโหดร้ายทารุณนี้ก็เกิดจากการทำบาป คนที่ทำบาสนี้เป็นคนที่มีใจที่โหดร้ายทารุณชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบรังแกผู้อื่นชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่คนที่มีใจสะอาดนั้นจะไม่ชอบเบียดเบียนจะไม่ชอบรังแกผู้อื่นจะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเขาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพที่เป็น เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลนี่คือเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดในภพชาติต่างๆอยู่ที่การกระทําของเรานี้เองทำไปแล้วมันก็สะสมอยู่ในใจเหมือนใจของเรานี้เป็นเหมือนน้ำถ้าเราเอาสิ่งที่สกระปรงใส่เข้าไปคุณภาพน้ำก็จะเสื่อมลงไป ราคาของน้ำนั้นก็จะต่ำลงไปแต่ถ้าเรากรองเอาเศงสกรปรกออกจากใจใจของเราณนะเอาออกจากน้ำน้ำก็จะสะอาดขึ้นถ้าเรากรองเ่งที่ไม่ดีออกจากใจเช่นความโหดร้ายทารุณออกจากใจใจเราก็จะสะอาดขึ้นก็จะมีคุณค่ามากขึ้นจะได้พบชาติที่ดีขึ้นไปตามมันดับ จนถึงภพชาติที่สูงสุดคือชาติของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายเกิดจากการทำบุญไม่ละไม่ทำบาปและเกิดจากการการกรองจิตใจให้สะอาดคือกรองเอาสิ่งที่เป็นสกโรกของใจได้แก่ความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ก็จะได้พบชาติที่ดีที่สุดคือพบชาติของพระอาหารหันต์และของพระพุทธเจ้าได้พระนิพพานมาเป็นรางวัลได้ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปเป็นผลที่เกิดจากการกระทํา ของเราในปัจจุบันนี้เองพวกเราทุกคนนี้มีสิทธ์เท่าเทียมกันมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เท่ากันเป็นพระพุทธเจ้าได้เท่ากันและชาตินี้ก็เป็นชาติที่เอื้ออำนวยที่สุดเพราะเรามีคนบอกทางเรามีพระพุทธศาสนาบอกให้เรารู้จักวิธีที่จะพาให้เราไปถึงพระนิพพานได้ พาให้เราไปเป็นพระ อ, อรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะเรามีแผนที่หรือมีผู้บอกทางก็คือพระพุทธศาสนานี้เองแต่พระพุทธศาสนานี้จะไม่ได้อยู่ไปในโลกนี้ไปตลอดพระพุทธศาสนานของเรานี้พระพุทธเจ้าทรงทานายไว้ว่าจะมีอายุประมาณ 5,000 ันปีด้วยกัน นี่ก็ผ่านมา 2,500 กว่าปีผ่านมาครึ่งทางแล้วสมมุติว่าถ้าเราตายไปชานติกว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายร้อยหลายพันปีกลับมาเกิดแล้วก็อาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือกลับมาเกิดในในในภูมิภาคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้เช่นไปเกิดในประเทศอื่น ไม่ที่เขานับถือศาสนาอื่นไม่ทับไม่นับถือศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธนีเราก็เป็นเหมือนกับไปเกิดในในใ น, ในที่ไม่มีใครจะชี้ทางที่จะบอกทางให้กับเราเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนเราก็จะไปตามอารมณ์ของเราซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าอารมณ์ดีเราก็จะทําความดีถ้าอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทําบาปชีวิตของเราก็จะขึ้นๆลงๆสูงๆต่ําๆแต่ จ, จะไม่สามารถขึ้นไปสูงได้ตลอดเพราะเราจะไม่รู้ว่าการที่เราจะไปสูงได้ตลอดนั้นเราต้องทําบุญอยู่ตลอดเวลาเราต้องละบาปอยู่ตลอดเวลาและเราจะต้อง ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุดตลอดเวลาไม่ใช่จะทำตามอารมณ์หรือทำทาตามเหตุการณ์อย่างบางท่านอาจจะทำบุญวันนี้ก็เพราะว่าเป็นวันเกิดหรือเป็นวันตายของผู้ที่เรารักเราเคารพแต่ถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่ทำบุญถ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการทำบุญนี้มีคุณประโยชน์กับเรายิ่งกว่าการ ได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านเราไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าบุญนี่แหละมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาเพราะเงินทองกองเท่าภูเขานี้ไม่สามารถซื้อภพชาติที่ดีในอนาคตได้มีเงินไว้แล้วเก็บไว้เฉยเฉยไม่เอามาทาบุญตายไปเงินเหล่านั้นก็ไม่ได้สามารถ ส่งเราไปเกิดในภพที่ดีได้แล้วเราก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เช่นเดียวกับบาปเราก็ไม่รู้ว่าการทำบาปแล้วจะส่งให้เราไปเกิดในอบายเราก็เลยกล้าที่จะทำบาปกันเพราะเรามีความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆและเมื่อเราไม่สามารถ ามาได้ด้วยวิธีที่ไม่ทำบาปเราก็จะทำบาปกันเพราะเราไม่คิดว่าทำไปแล้วจะมีผลตามมาเพราะเราไม่เห็นนรกเราไม่เห็นอบายเราไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของเราในชาตินี้กับการได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือไปตกนรกในชาติหน้าเราไม่รู้ว่าสุนัขที่เราเห็นอยู่นี้เขา มาเกิดเป็นสุนัขได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่มีดวงตาในนั่นเองเราไม่มีแสงสว่างภายในใจของเราใจของเรามืดบอดแม้แต่ใจของเราเองเรายังมองไม่เห็นเลยเรายังไม่รู้เลยว่าใจของเราเป็นอย่างไรว่าใจของเรามีหรือไม่มี งคนคิดว่าใจของเรานี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพอร่างกายตายไปใจก็หมดไปตามไปกับร่างกายแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุเป็นอาการสาสสองเป็นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูก แต่ใจนี้เป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้รับรู้ความสุขความทุกข์ต่างๆรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกมินก่ใจกายาก น, นี้ไม่ได้เป็นผู้รับรู้กายนี้ไม่ได้เป็นผู้คิดผู้สั่งการแต่ใจนี้เป็นผู้คิดผู้สั่งการแล้วก็เป็นผู้รับผลของความคิดที่สั่งไป คิดดีใจก็สบายคิดไม่ดีใจก็วุ่นวายอย่างตอนนี้เราใจสบายเพราะเราคิดดีเรามาทําบุญเรามาทําประโยชน์เราเอาความสุขมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราคิดร้ายคิดอาฆาตพยาบาทคิดโ ก, กรธเกลียดขึ้นมาใจของเราก็จะรุ่มร้อนขึ้นมา ท, าทันทีเป็นนรกขึ้นมาทันทีภายในใจ สวรรค์ก็อยู่ในใจนรกก็อยู่ในใจเกิดจากความคิดของเราเกิดจากการกระทำของเราที่ตามมาหลังจากที่เราคิดแล้วเช่นเราคิดจะทำบาปพอเราไปทำบาปแล้วใจของเราก็ไม่สบายเช่นเราไปฆ่าผู้อื่นแล้วใจของเราก็ตกนรกแล้วเพราะใจเราไม่สบายใจเรามีความรุ่มร้อนมีความหวาดกลัว ที่จะต้องไปรับใช้กรรมต่อไปแล้วก็พยายามคิดหาวิธีต่างๆนานาที่จะลบล้างกรรมที่ทำไปซึ่งหาวิธีใดก็ไม่สามารถลบล้างได้วิธีเดียวที่ไม่ทำให้เราต้องไปสร้างไปไปรับใช้กรรมก็คืออย่าไปทำกรรมอย่าไปทำบาปอย่าไปทำผิดศีลถ้าไม่ทำผิดศีลมันก็ไม่มีผล ร้ายที่จะตามมาหรือถ้าทําแล้วอยากจะไม่ต้องไปรับใช้ผลของกรรมก็ต้องไม่กลับมาเกิดอีกเท่านั้นและการจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องทําบุญให้มากต้องไม่ทํำบาปอีกต่อไปและต้องกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจวิธีที่จะให้มันหมดไปได้ก็ต้องบวชออกบวชถือศีล แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะทำให้ใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ได้และไม่ต้องกลับมาใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไปหรือว่าถ้าไ ด, ด้ได้บรรลุธรรมขั้นแรกเป็นพระโสดาบันก็จะพ้นการที่จะต้องไปใช้กรรมในอาบายทำบาป ท, ทำกรรมมามากน้อยเพียงอย ก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรยไม่ต้องไปตกนรกอีกอย่างน้อยก็ขอให้ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่ได้เจริญศีลได้เจริญสมาธิและได้เจริญปัญญาในระดับขั้นต้นก็คือยอมคือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีการเกิดเป็นธรรมดา ย่อมมีการตายเป็นธรรมดายอมรับความตายได้ไม่กลัวความตายพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลานี่คือสถานภาพของพระโสดาบันท่านจะไม่ป้องกัน ร, รักษาชีวิตของท่านด้วยการไปทำบาปเช่นมีคนจะมาทำร้ายท่านท่านก็จะไม่ไปทำร้ายเขาถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีหนีได้ก็หนี แต่ถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้หนีไม่ได้จนมุมก็จะไม่ทำลายเขาจะไม่ป้องกันชีวิตของตนเองด้วยการทำลายชีวิตของผู้อื่นเพราะท่านไม่ต้องการที่จะไปเกิดในอบายอีกต่อไปนั่นเองท่านสามารถหยุดใจได้หยุดการกระทำบาปได้อย่างถาวร น, นี่คือสถานภาพและวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะทําให้เราไม่ต้องไปเกิดนยบายอีกต่อไปเราต้องทําบุญให้หมดเลยต้องออกบวชมีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็บริจาคให้คนอื่นยกให้คนอื่นไปหมดแล้วก็บวชมีสมบัติอยู่เพียง8ชิ้นคืออัฏฐบริขารเช่นจีวรผ้าไตจีวรบาศเป็นต้นแล้วก็ทุ่มเทเวลามเวลา ให้กับการรักษาศีลให้กับการนั่งสมาธิและเจริญปัญญาจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปพอได้บรรลุแล้วก็จะได้พ้นจากการไปเกิดในอบายได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการทำบา และวิธีที่จะหนีพ้นจากการทําบาปต้องไม่กลับมาเกิดหรือถ้ากลับมาเกิดก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นถึงจะไม่ต้องไปใช้กรรมในอาบาลแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมถึงขั้นนั้นได้ก็ขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเพราะมันไม่มีทางอื่น ถ้าเราอยาอมรับผลเราปลงได้อย่างน้อยใจของเราก็จะไม่ทุกและจะได้ไม่เป็นเครื่องมือของผู้ที่จะมาหลอกให้เราไปสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆเพราะว่าการสะเดาะเคราะห์นี้ไม่สามารถที่จะไปสะเดาะกรรมที่เราทําได้ทำกรรมอันใดไว้แล้วมันจะต้อง เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนเราเฟี้ยงก้อนหินออกจากมือเราไปแล้วเราจะไปดึงมันกลับมาไม่ได้มันจะต้องไปตกที่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เช่นเราจะปากระจกให้มันแตกเมื่อเราทำไปแล้วก็จบมันก็ต้องแตกถ้าเราเฟี้ยงก้อนหินไปแล้วหลุดออกจากมือเราไปแล้วมันก็ต้องแตกเมื่อแตกแล้วเราก็ต้องรับผลของการกระทำของเรา เจ้าของเขาก็จะต้องมาจับเราไปลงโทษจับเราไปชดใช้สิ่งที่เราสร้างความเสียหายนี่คือตัวอย่างของการทําการกระทําทําไปแล้วเราจะย้อนกลับไปไม่ได้ชีวิตของเราไม่เหมือนกับภาพยนตร์ที่เราสามารถย้อนกลับไปได้ภาพยนตร์นี้เราดูตอนนี้แล้วเรายังอยากจะกลับไปดูตอนต้นเราก็ยังหมุน ย้อนกลับไปดูตอนต้นได้หรือเราอยากจะไปดูตอนปลายเราก็ยังสั่งให้มันไปดูที่ตอนปลายได้แต่ชีวิตของเรานี้มันไม่ได้เป็นเหมือนภาพพยมมันไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้และมันไม่สามารถข้ามไปในอนาคตได้ชีวิตของเรานี้จะต้องอยู่ในปัจจุบันเสมอดังนั้นก่อนที่เราจะทําอะไร ก็ขอให้เราคิดให้ดีเะก่อนการที่เราจะรู้ว่าเราจะทําอะไรคิดอะไรเราก็ต้องมีสติคอยดูกายวาจาใจของเราอยู่อย่างสม่าเสมอรูว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรเรากำลังจะพูดอะไรกำลังจะทําอะไรหรือพูดอะไรหรือทําอะไรถ้าเรารู้ว่าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเรายัง มีโอกาสที่จะหยุดมันได้แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราจะมาเสียใจภายหลังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะความเสียใจนี้จะไม่สามารถไปยับยั้งผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ผลเสียหายจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นเราจึงควรที่จะคอยดูความคิดเราอยู่เรื่อย คิดว่าเรากําลังจะทําอะไรกําลังจะพูดอะไรถ้าคิดไม่ดีก็รีบยับยั้งเสียเช่นเราจะคิดไปทําร้ายผู้ถ้าเรารู้มีสติรู้ว่าเรากําลังจะไปทําร้ายผู้เพราะเขาทําให้เราโกรธแค้นสิ่งที่เราทําได้ในเบื้องต้นก็คืออย่าไปคิดถึงเขาพยายามหยุดความคิดนั้นเราจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ สวดมนต์ไล่ความคิดนั้นไปก็ได้หรือท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้ท่องไปจนกว่าเราจะลืมเรื่องนั้นไปเรื่องที่จะทำให้เราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทพอใจเราสงบแล้วทีนี้พอเราคิดถึงเรื่องนั้นเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่าเออมันก็ผ่านไปแล้วเราไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ไปแก้ มันมีแต่จะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะต้องโกรธเกลียดเราแล้วเขาจะต้องกลับมาทำร้ายเราอีกต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันในที่สุดก็จะต้องวุ่นวายกันไปหมดไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาวิธีที่แก้ปัญหาเราต้องหยุดเราต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราไปลบมันไม่ได้ เราไปล้างมันไม่ได้แต่เราลบมันออกจากใจของเราได้ด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธไปเพื่อให้เราไม่คิดถึงมันให้ลืมมันพอเราไม่คิดถึงมันแล้วลืมมันแล้วใจของเราก็จะกลับมาเป็นปกติใจของเราก็จะเย็นจะสบายก็จะไม่คิดอยากจะอยากที่จะไปทําร้ายเขาอีกนี่คือวิธีที่พวกเราจะสามารถ หากห้ามการที่จะทําบาปทํากรรมได้ถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดของเราควบคุมใจของเราเวลาร้ายใจเราคิดร้ายต้องขับมันออกไปด้วยการสวดมนต์ก็ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้หรือด้วยการใช้เหตุผลก็ได้ว่าทําบาปแล้วมันไม่ดีนะเดี๋ยวจะมาเสียใจภายหลัง ทำไปแล้วนี่มันไปรับลบล้างกรรมไม่ได้ลบล้างบาปไม่ได้ถ้าเรามีสติมีปรรัญญาคอยเตือนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถที่จะยับยั้งการกระทาบาปต่างๆได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปที่เรากระทำนี่คือการมาวัดเพื่อมาสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ตัวเรา ให้แก่ชีวิตเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญให้ล้าบาปและให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความภาคเพียรด้วยความอดทนด้วยความเมตตากรุณาด้วยฮิริโอตตปะรับรองได้ว่าถ้าเราทำ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้อนาคตของเรานี้จะมีแต่ดีอย่างเดียวเพราะเราจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญมาสร้างอนาคตที่ดีให้ท่านได้นําออกไปพิณพิจารณาและปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ดีงามที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา